ว่าในหัวข้อเรื่องปิดกสามคือหนึ่งพระวินัยยบปิดกได้แก่หมวดพระวินยัยสองพระสุตรตันตะปัพระสุตรตันต ะ, ร ะ, นตะหรือพระสูตรสพระอภิธรรมปิดกได้แก่หมวดพระอภิธรรมทั้งสามหมวดนี้เรียกว่าปิดกสามขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย มาทําความเข้าใจกับคําว่าคําว่าปีดกแปลว่าเป็นที่รวมหัวข้อธรรมหรือตะกระ้าอันเป็นที่รวบรวมสรรพสิ่งของต่างๆลงในนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคําว่าปีดกนี้เป็นชื่อแห่งกระจัดหรือว่าตะกระ้านะกระจาดหรือว่าตะกระ้าที่เอามาใช้ ในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นหมวดที่รวมพระพุทธวจนะเหมือนกระจาดเป็นที่รวมสิ่งของต่างๆมีผักต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดเป็นต้นในที่นี้จำแนกออกเป็นสามคือหนึ่งพระวินัยยปิดกได้แก่ระเบียบที่ทรงวางไว้เป็นพุทธานาคือคลิกขาบทอันมาในพระปาติโม และอภิสมาจารย์อันเป็นเครื่องบริหารหมู่คณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมู่คณะที่ดีงามฝ่ายคฤหัสถ์ได้แก่ศีลห้าศีลแปดกรรมบท10สิบซึ่งเรียกว่าอาคาริยวินัยหนึ่งฝ่ายบรรปชิตตั้งต้นแต่ศีลสิบและศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ที่เรียกว่าพระปาติโมกและซึ่งเรียกว่าอนาคาริยวินัยฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าพระวินัยยปิดกก็ได้แก่หมวดพระวินัยนะหมวดพระวินัยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จะพอเข้าใจง่ายก็เกี่ยวกับเรื่องศีล น, นะเกี่ยวกับเรื่องศีลอเมื่อพูดถึงเรื่องศีลก็มีตั้งแต่ศีลห้าศีลแปด นะศีลห้าศีลแปดแล้วก็กรรมบท1สิอันในสามอย่างนี้อาคฤหัตจะต้องมีหมายถึงว่าอาบุรุษผู้หญิงผู้ชายผู้อยู่ครองเรือนนะจะต้องมีถือว่าเป็นศีลประจําจิตประจําใจพูดง่ายๆอย่างน้อยคนเราทุกคนนั้นจะต้องมีศีลห้าศีลห้าเรียกว่านิจศีล เป็นศีลที่คนทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นนิจเพราะว่าศีลห้านี้สามารถทำบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่กันโดยปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันศีลห้ามีขึ้นในที่ใดสังคมก็มีแต่ปกติสุขมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประเทศชาติก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยฉะนั้น ศีลห้านี้จึงถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะปรับจิตใจของคนเราคนเราถ้าหลังไม่มีศีลแล้วแน่นอนที่สุดบ้านเมืองก็จะสับสนโลมานครอบครัวก็จะยุ่งเหยิงจะมีแต่การเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการจะมีแต่การรังแกกันข่มเหงกัน ยิ่งไปกว่านั้นถึงที่สุดก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันถึงกับฆ่ากันตายก็ได้แต่ถ้าหากว่าคนเราทุกคนมีศีลห้าแล้วเท่ากับว่าเรานั้นมีเกราะมีเครื่องกำบังและเป็นสิ่งประกันคุณภาพว่าเราทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในใจมีเกราะเป็นเครื่องป้องกันรอยร้าวหรือความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นจึงบอกว่าศี่ทานี่แหละเป็นพื้นฐานจิตใจของคนเราทุกๆคนที่บอกว่าพื้นฐานก็คือว่าเท่ากับว่าคนเราถ้าไม่มีศี่ทาเป็นพื้นฐานใจของคนนั้นไม่หนักแน่นเมื่อใจไม่หนักแน่นแน่นอนที่สุดอาจจะทำอะไรตามอำเภอใจก็ได้ทาอะไรตามอาเภอใจก็ได้ จะทําให้ใจนั้นแตกแล้วก็เปราะง่ายท่านลองนึกถึงคนที่เขาจะสร้างตึกรามบ้านช่องสร้างโบสถ์สร้างวิหารเขาจะต้องมีการลงรากเสาเข็มนะตอกเสาเข็มปรับพื้นให้มันแน่นกันสุดนะกันกันตึกหรือกันอาคารนั้นสุดถ้าว่าเราทําไม้ดีมันสุดไปก็แน่นอนที่สุด ก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่อาศัยเราเคยได้ยินในบางแห่งที่มีการสร้างอาคารแล้วก็มีการซุดลงไปคนตายเป็นร้อยร้อยคนทรัพสมบัติสูญเสียหายมากนี่เพราะว่าพื้นไม่ดีหรือว่าน้ําหนักมากและการจะสร้างถนนหนทางเหมือนกันเขาจะต้องปรับพื้นให้ดีเสียก่อนเรียกว่า ถ้าพื้นไม่ดีเขาก็จะเอารถไถทิ้งออกไปนะดินไม่ดีเขาก็จะไถทิ้งออกไปแล้วก็เอาดินดินเข้ามาถมเข้ามาอัดอัดก็แล้วเอาทรายก็แล้วเ อ, เอาลูกรังก็แล้วเอากรวดเอาอะไรมาเรียกว่าถมแล้วถมอีกเอารถมาเกรดมาเหยียบมาย่ำจนแน่นเต็มที่แล้วแล้วจึงค่อยราดยางหรือว่าเทคอนกรีตนี่เขาจะต้องปรับพื้นให้แน่นเสก่อน ถ้ า, าก็าไม่ปรับพื้นถนนมันก็ซดง่ายแตกง่ายชารุดง่ายการคมนาคมหรือการสัญจรไปมาก็ไม่สะดวกก็กลุกครับคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าจิตใจไม่มีศีลทำเป็นพื้นฐานไม่มีศีลเป็นพื้นฐานมันก็เปราะง่ายแตกง่ายอาจจะเรียกว่าปากก็ร้ายมือก็ไวเนย ใจก็ไม่ปกติสุขคือจะต้องมีการเบียดเบียนกันมีการฆ่ากันประหัดประหารกันเอารัดเอาเปรียบกันมีการฉกชิงวิ่งราวที่ปล้นค่าหรือมีการฉุดค่าอนาจารกระพติผิดประเวณีมีการพูดโกหกหลอกลวงให้เขาต้องเสียผลประโยชน์ต่างๆนาน า, นานแล้วก็มีการ มอมเมากันด้วยเครื่องมึนเมาต่างๆเพื่อยั่วย้อมใจทําให้เกิดความเกล้ากล้าอันเกิดจากความประมาทมัวเมานี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นรอยร้าวแต่ถ้าหากว่าใครมีศีลห้าก็ป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ใจก็มีความหนักแน่นฉะนั้นคําว่าศีลหรือว่าศีละนี่มันมาจากคําว่าศีลาคําว่าศีลาก็แปลว่าก้อนหิน ธรรมดาก้อนหินเนี่ยมันแน่นมันก็หนักในวันหนักด้วยแน่นด้วยงั้นเราเรามีศีลก็คือคนที่มีจิตใจหนักแ น, น, น่นเหมือนก้อนหินนะหนักแน่นเหมือนก้อนหินคือหมายความว่าไม่คิดที่จะทําลายผู้อื่นไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นนะไม่คิดที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเรียกว่าไม่ลังมือศีลนะนี่แหละคือคนที่มีจิตใจหนักแน่น เพราะว่าคนเรามีส่วนสําคัญอยู่สองประการคือกายกับใจกายาใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายจะทําอะไรอยู่ที่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้สัง่งจะให้ต่อยเขาก็ได้ไปฆ่าไปแทงเขาก็ได้ไปยิงเขาก็ได้แต่ทีนี้ต่างหากว่าคนเรามีจิตใจหนักแน่นแล้วก็หยุดด้วยหยุดความชั่วทางกายหยุดความชั่วทางวาจา ถึงขั้นถึงที่สุดก็คือหยุดใจตัวเองได้นะหยุดใจได้ที่แหละคือคนที่มีศีลฉะนั้นเมื่อคนเรามีศีลห้าแล้วอยากจะมีศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ประเสริฐยิ่งขึ้นก็เป็นศีลแปดยิ่งไปกว่านั้นก็คือกุศลกรมรมมรดศีลอันนี้แหละคารวาะคือผู้อยู่ครองเรือนผู้หญิงผู้ชายจะต้องประพฤตปฏิบัติศีลแปดก็ยอย่างหนึ่งว่าเป็นอุโบสถศีล ที่ญาติโยมได้ไปนักถืออยู่ในค้างคืนตามวัดวาอารามต่างๆหรือไปสมาทานาในวันพระแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่าทั้ขทงขึ้นทั้งแรมฉะนั้น อ, อันนี้ที่กลา่าวมานี้เป็นเป็นหมวดของพระวินัยยปิดอกนะว่าพระวินัยก็คือศีลนั่นเองฉะนั้นคนมีวินัยก็คือคนที่วิเศษนะวินัยนี่แปลว่านำไปวิเศษ นะคือ ว, วิเศษก็คือเหนือกว่าคนธรรมดาตรงกันข้ามคนไม่มีวินยัยคือคนไม่มีความวิเศษฉะนั้นในหมวดวินัยนี้จึงว่าด้วยเรื่องศีลนะคายบรณรชิตก็ปิสุสมเนนก็ตั้งตนแต่มีศีลสิบแล้วก็ศีลสองรอยี่สิบเจ็ดที่เรียกว่าพระปฏิโมกซึ่งเรียกว่าอนาคาริยวินยัย คือวินัยของผู้ที่ไม่มีบ้านเรือนที่ถึงวันขึ้นแรมสิบห้าคจะต้องมีการาสวดพระปฏิโมกก็คือเป็นการาชำระศีลมาบอกกล่าวมาบอกกล่าวซึ่งกันและกันว่าศีลอย่างหนักอย่างกลางอย่างเบามันมีอะไรใครประพฤติล่วงในข้อใดก็ให้มีการสารภาพกัน อนี่เป็นหมวดของพระวินัยปิดกในหมวดที่สองคือพระสุตรตันตปีดกพระสุตตันตปีดกก็ได้แก่พระธรรมอที่แสดงเป็นปุกลาทิฏฐานเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือพระสูตรนั่นเองเป็นธรรมอย่างต่ำอย่างกลางพอที่สามัญชนจะรู้ได้อกล่าวถึงศีลทานภาวนาศรัทธาวิยะเป็นต้นเป็นอย่างนั้นๆ ไม่ลึกเรียกว่าไม่ลึกเกินไปคือพระเหมาะพระควรที่คนธรรมดาจะนําไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้เรียกว่าพระสุตันตปิฎกอย่างที่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้มีการให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญสมาธิมีศรัทธามีความเพียรนี่แหละอย่างนี้เรียกว่าพระสุตันตปิฎกแล้วก็มีการ แสดงเป็นปุกลาทิฏฐานคือยกเป็นนิทานเป็นเรื่องเป็นราวอาสมัย ห, หนึ่งมีบุคคลเข็นใจได้ปรารบในการที่จะทำบุญก็ปรากฏว่าได้ไปเก็บผักขักพืนเอามาเตรียมทำอาหารในการที่จะถวายพระที่จะมาฉันอาหารที่บ้านของตน ก็ปรากฏว่าได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฉันอาหารที่บ้านรู้สึกดีใจปลื้มใจน่ดีใจปลื้มใจหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ฉันเสร็จเรียบร้อยอนุโมทนาแล้วก็อุ้มบาตรกลับไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปส่งถึงถึงที่ถึงพระคุถึงพ ร, ระคันธกุดี พอกลับมาที่ไหนได้ปรากฏว่าลูกเมีย อ, อยู่บนบ้านไม่ได้เงินทองเต็มไปหมดเลยนี่ด้วยบุญญาบารมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดนะได้เสด็จมาโปรดอย่างนี้แหละเรียกว่าพระสูตรนะพระสูตรหรือพระสูตรตัณฑปิดดกคือยกเป็นนิทานก็แสดงว่าผู้ชายเข็นใจยากจนคนนั้นน่ะเป็นคนมีศรัทธานะ ศรัทธาคือความเชื่ออยากที่จะทำบุญเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำบุญต้องได้บุญนี่จึงได้ทำลงไปฉะนั้นอย่างที่ญาติโยมไปทมวัดวาอารามต่างๆมีการทำบุญให้ทานนักษาศีล น, นั่นแหละอย่างนี้ยังจัดว่ายังเป็นอย่างกลางๆนะอย่างกลางๆอย่างไม่สูงอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ า, าพระสุตันตปิฎกประการที่สามพระอภิธรรมวปิฎก ได้แก่พระธรรมที่ที่เป็นธรรมมาที่เป็นธรรมล้วนๆนะที่เป็นธรรมล้วนๆไม่ยกอ้างถึงบุคคลจัดเป็นพระอภิธรรมหรือพระภิธรรมจัดเป็นพระอภิธรรมคือเป็นธรรมที่ลึกซึ้งสุ ข, ขุมคัมภีรภาพกล่าวถึงจิตเจตปริรูปนิพพานหรือกล่าวถึงขัน อ่ากล่าวถึงขันถึงธาตถึงอายตนะถึงอินทรียถึงบัญญัตถึงวิมุตถึงกุศลถึงอกุศลซึ่งเรียกว่าปรมัติเมื่อกล่าวแต่เพียงย่อยแล้วท่านแสดงถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเท่านั้นนี่แหละที่จัดเป็นพระบิดามหรืออย่างที่เราได้รู้ได้ทราบว่ามีการสวดพระบิดามิจคมภี์นะที่งานที่วัดไหนเขามีงานศพ บ, บัดไหนมีคนตายก็จะสวดพระบิดาม นั่นแหละอภิธรรมที่พระสวนนั่นแหละถือว่าถือว่าเป็นพระอภิธรรมวิปปกเป็นธรรมล้วนลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากฉะนั้นก็พอจะจับใจความได้แล้วว่าปิดกสามนั้นก็มีหนึ่งพระวินยัยปิปปกสองพระสุตันตปิดกสามพระอภิธรรมปิดกฉะนั้นทั้งสามอย่างนี้พระวินัยก็คือว่าเป็นระเบียบเป็นข้อ ห้ามเป็นข้อบังคับเป็นข้อบังคับคือเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยส่วนพตุตธรรมสปิดกนั่นเป็นข้อธรรมที่ยังต่ำอย่างกลางที่เหมาะกับที่จะต้องใช้กับบุคคลผู้ผู้ยังมีศรัทธาไม่แก่กล้าหรือยังมีความรู้ยังไม่มากหรือเหมาะกับคนทั่วๆ่วไปที่ ยังไม่สามารถจะเข้าใจธรรมได้ลึกซึ้งเมาะกับบุคคลผู้ยังมีอุปนิสัย อ, อ่อนๆหรือว่ายังไม่เข้าใจธรรมมากนะักก็จะต้องแสดงพระสุตตันตปิฎกคือยกนิทานยกเป็นปุคลาธิฐานเป็นเรื่องเป็นราวเล่าให้ฟังแล้วว่าคนนั้นมีคติสอนใจอย่างไรที่เขาทําอย่างนั้นในผลดีอย่างไรผลชั่วอย่างไรนี่ยกขึ้นมาอย่างนี้เป็นตัวอย่าง จะเป็นเรื่องความสามัคคีเต่ยังนกระจาบก็ได้นะอ่านกระจับอืนี่เรื่องมาเรื่องการแต่ความสามัคคีอ่าไรในธรรมนองนี้ที่ส่วนพระพิธรรมปิดกนั้นก็ได้แก่ว่าเป็นธรรมะล้วนๆที่ยากแล้วก็ลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากที่เราเรียนกันเนะี่ยว่าเรียนพระพิธรรมนะต้องท่องกันมากนะต้องท่องเสียก่อนจึงจะเข้าใจอนะ่าจิตเจตสิกรูปนิพพาน จิตโดยย่อมีแปดสิบเก้าโดยพิศดารมีร้1ยี่สิบเอ็ดดวงอะไรเนี่ยตรงว่าก่นไปอืมเหล่านี้เนี่ยที่นี้ที่ได้บรรยายมา น, นี้ก็พูดเป็นเพียงแนวทางยอ่ยอๆแต่ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าปีดกสามปีดกทั้งสามเนี่ยย่นลงในปาพจนได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปถ้าได้ลองย่นมาดูอันนี้เราตอบว่าได้ พระวินัยปิดกก็ย่นลงในพระวินัยพระสุตตันตปีดกก็อพระสุตตันตปิดกและพระวิธรรมปีดกก็ย่นลงในพระธรรมคือปาพจน์หมายถึงว่าคําเป็นประธานคําเป็นประธานหรือเป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสองอย่างคือพระวินัยกับพระธรรมฉะนั้นพระวินัยก็ได้แก่พระวินัยปิดกวินัยปิดกก็ย่นลงในพระวินัยพระสุตตันกับพระวิธรรมก็ย่นลงในพระธรรมนั่นเอง หรือจะมีคำถามว่าปาพศกับปิดกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรในปิดกทั้งสามนี้ปิดกไหนแสดงโดยปุกราธิฐานหรือเจือด้วย เ, เจือด้วยปุกลาธิฐานและเป็นธรรมาทิฐานล้วนอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าปาพศกับปิดกนั้นเหมือนกันเพราะพระธรรมในปาพศสองท่านแบ่งออกเป็นสองหมวดคือพระสุตตันตปิดกกับพระวิธรรมปีดก ส่วนวิในนั้นคงที่พระสุตันตปิดกสแสดงโดยปุคลาทิฏฐานหรือเจอด้วยปุคลาทิฏฐานพระรมปิดกสแสดงโดยธรรมาทิษฐานล้วนนะธรรมาทิษฐานล้วนนี่ก็ว่าถึงเรื่องปิฎกสามเมื่อพูดถึงปิฎกสามแล้วก็อยากจะพูดถึงพุทธจริยาสามให้สอดคล้องต่อกันไปเลยพุทธจริยาสามก็คือหนึ่งโลกัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลกสองยาตถะจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติสพุทธถจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าประการแรกขอให้ท่านมาทําความเข้าใจกับคําว่าพุทธจริยาเสียก่อนคําว่าพุทธจริยาแปลว่าความประพฤติหรือพระจริยาวัดของพระพุทธเจ้า มีสามประการคือหนึ่งโลกัตถะจิยาในแก่ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่มหาชนชาวโลกทั่วไปเช่นทรงแพพยานเล็งดูสัตว์โลกทุกค่ำเช้ า, ชาถ้าผู้ใดปรากฏอยู่ในข่ายพยานของพระองค์ก็จะทรงเสด็จไปโปรดผู้นั้นหรือที่มีบาลีว่าปุพันเหปินตปา น, นจัสายันเหธรรมเทศนา เป็นต้นว่าตอนเช้าพระพุทธองค์ก็จะออกโปรดสัตว์ตอนเย็นก็จะต้องแสดงธรรมตอนเที่ยงคืนก็จะต้องแสดงธรรมแก้ปัญหาพวกเพทพพยดาต่างๆตอนใกล้รุ่งก็จะตรวจดูสัตว์เล่าว่าผู้ใดที่ควรจะไปโปรดเข้าข่ายที่จะควรไปแสดงธรรมโปรดผู้นั้นให้ได้รับมรรคผลนิพพานได้หรือให้พ้นทุกตามขั้นตอนได้ รวมความว่าพระองค์ทรงสงเคราะห์คนทั้งหลายโดยฐานเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็นับเข้าในข้อนี้ด้วยผูดง่ายๆที่บอกว่าลอกัตถะอริยาก็คือว่าที่ว่าทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกหมายถึงว่าไม่เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดมีบุญญาบารมีแ ก, กล่าพระองค์แสดงธรรมทั้งนั้นเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมนั้นบางคนไม่ได้บรรลุอะไรเลย บางคนก็ได้อสําสเร็จอโสดาโสดาบันบางคนก็ได้สําเร็จสัจธาคามีบางคนก็ได้สํส า, า, าสเร็จพระอนาคามีบางคนก็ได้สําเร็จพระอระหันต์แต่บางคนไม่ได้อะไรเลยนี่ขึ้นอยู่กั บ, กบอุปนิสัยของบุคคลฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้เปรียบว่าบุคคลนั้นมันมีอยู่สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งก็พอพูดแล้วก็เข้าใจรู้เลย ประเภทที่สองฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติจึงสําเร็จประโยชน์ได้ประเภทที่สามต้องชักจูงแนะนําใช้ความเพียรกันว่านะเรียกว่าทั้งดึงทั้งบุญทั้งดันกันอย่างเต็มที่ออย่างนี้จึงจะเกิดประโยชน์แล้วก็ประเภทอประเภทที่สุดท้ายก็คือประเภทที่เรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะแสดงอโปรดให ัรรลุได้นะพวกนี้เป็นพวกปัญญาอ่อนหรือเรียกว่าปัญญาต่ํำสามนะปัญญาต่ํำสามะฉะนั้นจึงอนี่แหละจึงพระพุทธองค์จึงแสดงธรรมโปรธแต่ละครั้งนั้นบางครั้งบางพวกบางคนบางกลุ่มบางหมู่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์ได้ฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ได้อทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่ ชาวโลกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงสงเคราะห์แก่คนทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติาศาสนาไม่ได้คำนึงถึงฐานะว่าผู้นั้นจะยากดีมีจนอย่างไรพระพุทธองค์ได้ทำเสมอเหมือนกันทาเสมอเหมือนกัน <c oughs> ในข้อที่สองยาตถาจริยาได้แก่ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติ หรือโดยฐานเป็นพระญาติพระญาตินะขอให้ฟังให้ดีเดี๋ยวฟังไม่ดีจะเป็นพรญาติต่แล้วก็ยุ่งเลยนะพระญาติพูดง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือว่าพระประยุรญาตินี่พูดอย่างนั้นข้อนี้ทรงสงเคราะห์อพระประยุรญาติของพระองค์เองอผู้ที่จะเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องอยู่ติทยาปริวาทห้าเดือน ก่อนเหมือนพวกเีรถีอันนี้ก็จัดเป็นยาตัทธัจเรียาโดยเฉพาะเมื่อเพ่งพระพุทธจริยาอันเป็นไปเพื่อสมเคราะห์พระญาติการเสด็จไปเทศนาโปรดพระญาตินกรุงกบิลพัฒน์ก็ดีเสด็จไปห้ามพระญาติฝ่ายศากยะและฝ่ายศากยะอืมก็ดี อ, อทีอ่อมีความ อาวิวาดกันแย่งน้ำเข้านากันก็ดีจัดเข้าในข้อนี้ได้เหมือนกันนี่แหละเป็นการเรียกว่าทรงรพื่อที่เป็นประโยชน์แก่พระพระประยุรญาติของพระองค์ทำให้อได้โปรดพระราชบิดาก็าได้สำเร็จนักผลตามอุปนิสัยนแล้วก็ได้ไปโปรดพุทธมารดานั่นก็ได้สำเร็จโสดาบัน แล้วก็มีพระพยุรยญาติของพระองค์อีกหลายพวกหลายมูหลายกลุ่มก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากประการที่สามพุทธทัตจริยาได้แก่พุทธกิจที่ทรงบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนโดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าเช่นทรงบัญญัติสิขาบทาเป็นอาทิาพรหมจันทร์บ้าง เป็นอภิสมาจาร์บ้างเพื่อนิฆะพิสุอผู้ไม่มีความละอายซึ่งเรียกว่าทุกมังกุคือผู้เกยยากคือผู้ไม่ค่อยรู้จักละอายบ้างคือหมายถึงว่าคมหรือว่าปราบพวกคนที่อพวกคนพวกพิสุผู้อไม่เกิดเขินไม่ละอายเรียกว่าพวกอลัชีผู้ไม่มีอย่างอาย และเพื่อจะวางระเบียบนําความประพฤติแหง่งพิสูผู้รักดีรักงามซึ่งเรียกว่าเปเทละบ้างผู้มีความละอายบ้างซึ่งเรียกว่ารักชีบ้างและทรงแสดงทำประกาศพระศาสนาให้บริษัททั้งครือขัดแต่บรรพชิต ร, รู้ทั่วถึงธรรมประนิฐานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบมา ตราบจนทุกวันนี้กล่าวสั้นๆก็คือว่าทรงทาหน้าที่ของพระพุทธเจ้านับเข้าในข้อนี้นะนับเข้าในข้อนี้อันนี้แหละก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นแล้วว่าการที่พระพุทธองค์ได้ เ, เสด็จอุบัติขึ้นและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ได้ทำหน้าที่ใหญ่ๆสามประการ หน้าที่หนึ่งทำหน้าที่ในฐานะเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั่วไ ป, ปรอชาวโลกให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วบอกทางดีชี้ทางชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนี่และพระพุทธองค์ยังได้พยายามชี้แจงพวกบรรดาเจ้าลัทธิต่างๆที่มีความเห็นผิดเป็นพวกมิจฉาทิฐิก็ให้มาเห็นให้ถูกต้อง ตามหลักความเป็นจริงหรือตามสภาวะธรรมพระเพทที่สองทรงประพฤติโดยโดยฐานะทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระประยูรยาตคือนอกจากจะโปรดชาวโลกแล้วก็โปรดตรงมาอย่างพระประยูรยาต์าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและพระราชมารด า, าให้ได้สําเ็ตมรรคผลนิพพาน กันเป็นจํานวนมากและประการที่สามทรงพระพุทธโดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าโดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าก็คือได้ทรงบัญญัติสิกขาบทอทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆการบัญญัตินั้นพระพุทธองค์บัญญัติต่อเมื่อที่สุหรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทํำผิดขึ้นแล้วเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรหรือมีผู้ไปเรียกร้องอ พระองค์ได้ใครควรแล้วก็จึงได้บัญญัติตามตามผู้ที่กระทำผิดนั้นไม่ได้บัญญัติ ด, ดักหน้าไว้ก่อนคือบัญญัติหลังหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นว่าต่อไปนี้อย่าทำอย่างนี้อีกถ้าทำอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรับเป็นอาบัตเป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่าอย่างหนักอย่างกลางอย่างเบาเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็ ทรงได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเอาพิสมาจารย์บ้างนะอะไรหลายๆอย่างอย่างนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมะเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสของท่านสาธุชนทั่วๆไปฉะนั้นถ้าหากว่าจะถามว่าพุทธะจริยาหมายเอากิดเช่นไรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าหมายเอาพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนโดยฐานเป็นพระพุทธเจ้า เช่นทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ประพฤติสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ทรงสแสดงทำประกาศพระศาสนาให้พุทธบริษัทพร้อมทั้งเครัสและบรรวชิตรู้ทั่วถึงแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทวินัยวางแบบแผนให้เป็นหลักยั่งยืนสืบต่อมาเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องปีดกสามก็ดีเกี่ยวกับเรื่องพุทธเจยสามก็ดีก็พอสมควรกับเวลา ในที่สุดขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะบรรยายในหมวดที่สามในหัวข้อเรื่องว่าภพสามคืนหนึ่งการมาพบ ได้แก่พบเป็นกามาปจรสอง ร, ปรูปภพได้แก่พบเป็นรูปาวจรสามอารูปภพได้แก่พบเป็นอรูปาวจรเจอการแรกขอให้ท่านทําความเข้าใจกับคําว่าพบเสียก่อนนะคําว่าพบคาว่าพบหมายเอาที่อยู่ของสัตว์ ทั้งหลายอันต่างกันขึ้นไปเป็นชั้นๆเนี่ยเป็นชั้นๆเรามักจะพูดคู่กันว่าเป็นพบเป็นภูมินะภูมิก็ที่อยู่พบก็ที่อยู่เหมือนกันนี่ยที่อยู่เหมือนกันในคาว่าพบนี้บางทีก็แปลว่าอยากมีอยากเป็นหรือแปลว่ามีแปลว่าเป็นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของความหมายของทางบาลีนะพบเนี่ยมาจากคาว่าภูภูธาต เอาเป็นโอโอเป็นอวะก็เป็นภาวะเนี่ยไอภาวะเนี่ยแปลว่ามีเป็นแปลว่าเป็นพระก็เป็นพบก็หมายว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์นีเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายอที่อที่แตกต่างกันขึ้นเป็นชั้นๆเรียกว่าชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงอะไรก็แล้วแต่ละเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าพบดังนั้นเขาจึงแบ่งออกเป็นสามชั้นคือหนึ่งกามาพบ กามาพบก็คือพบอันเป็นกามาผจญหมายเอาพบที่อยู่ของสัตว์อผู้เสพกามคือพวกมนุษย์โลกและก็พวกากามาผจรหรือสวรรค์ทั้งหกชั้ น, นสวรรค์ทั้งหกชั้นให้คําว่าผู้เสพกามนี้ก็คือว่าตั้งแต่มนุษย์พวกคนเรานี่ก็ยังต้องมีการเสพกามนะยังต้องมีการเสพกาม แล้วก็สวรรค์หกชั้นก็ได้แก่หนึ่งชั้นจาตุมหาราชสองชั้นดาวดึงสามชั้นยามาสี่ชั้นดุสิตห้าชั้นนิมมานาราดีหกชั้นอปรนิมนิตาวสวดีสวรรค์ทั้งหกชั้นนี้ก็ยังชื่อว่ายังเป็นผู้ที่เสวยกามอยู่ฉะนีแ่แปลวนะ่าหก อ่าชากามมาพระจร์เรเรียกว่าอผู้ยังท่องเที่ยวไปในกามหกชั้นน่ะในกามสวรรค์ในสวรรค์น่ะหกชั้ น, นชั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกน่าคือพวกเราทุกคนนี่ส่วนใหญ่แล้วก็มาทําบุญก่อนก็ปราถนาเคลืนสวรรค์นะอันจริงจริงแล้วสวรรค์นี้มันถ้าพิจาาแล้วมันก็ไม่ใช่ยากนะมันก็ไม่ใช่ยาก แต่มันก็ไม่ง่ายอีกเหมือนกันนะไอ้ที่ว่าไม่จะยากก็คือว่าสวรรค์มันก็ยังมีกามมนุษย์ก็ยังมีกามนะมนุษย์ก็ยังมีกามฉะนั้นเราปรารถนาแค่สวรรค์ น, นี่มันก็ยังไม่ได้สูงอะไรมากนะไม่ได้สูงอะไรมากก็ยังอยู่ในกามนะยังอยู่ในกามฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับพวกเรามากนะแต่ถึงกับนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่า คนเราที่เกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นก็เปรียบเหมือนกับเขาโคแต่ที่ตายไปแล้วไปเกิดในอบายภูมิเหมือนกับขนโคก็แสดงว่าจะเกิดในสวรรค์นี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายโดยมากไปเกิดในอบายภูมิน่ะไปเกิดในอบายภูมิฉะนั้นการมาพบก็ได้แก่ พบของมนุษย์นะแล้วก็ของสวรรค์หกชั้นส่วนเรื่องสวรรค์หกชั้นนั้นเอาไว้บรรยายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์หกชั้นอีกในหมวดต่อไปสองรูปภพได้แก่ภพบอันเป็นรูปราวจรหมายเอารูปภพคือพรมที่มีรูปหกชั้นมีพรหมปาริสัจะเป็นต้นนะพรหมปาริสัจะเป็นต้น แล้วก็อมีเอาชั้นอาการิถะเป็นที่สุดนะรูปประพรม เ, เป็นว่ดสิบหกชั้นนะรูปประพรมสิบหกชั้นตั้งแต่อา่ามีพรมชั้นปาริสัตชะเป็นต้นแล้วก็มีชั้นอาการิถะเป็นที่สุดนะอันนี้เรียกว่าอารูปประอรมขอประธานโทษอารูปประพม ร, ะ ร, ปประพมหมายถึงว่าพบอันเป็นรูปปาพจรหมายอารูปประพรมนะรูปประพรมคือตั้ง เรียกว่าอารูปประพรมนี้ก็อาจจะพูดได้ถึงนั่นแหละทั้งพรมอ16ชั้นนะพรม16ชั้นก็สูงขึ้นไปอีกนะสูงขึ้นกับกามาพบขึ้นไปนะละเอียดขึ้นไปอีกประนีดขึ้นไปอีกนะสามอารูปประพบได้แก่พบอันเป็นอารู ป, ปาวจรหมายเอาพบที่เป็นที่อยู่ของพวกพรมไม่มีรูปนะ อันนี้ไม่มีรูปนะมีลูกสี่ชั้นก็คือหนึ่งอากาอากาสานัญจายตนะสองวิญญาณัญจายตนะสามอากินจัญญายตนะสี่เนวสัญญายตนะทั้ง4ีอย่างนี้แหละเรียกว่าอารูปภพ เรียกว่าอรูปภพเป็นเป็นภพที่ที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะเป็นภพที่ละเอียดขึ้นไปฉะนั้นในอรูปภพนี้ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาให้เข้าใจโดยท่องแพ้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะ อรูปประพธนี้บางที่ก็อาจจะพูดว่าเป็นอารูปอารูปาวจรภูมินะอะเรียกว่าเป็นชั้นสูงที่ท่องเที่ยวอยู่ในอารูปข้อนี้ได้แก่ชั้นแห่งจิตเจตสิกอันล่วงรูปธรรมได้แล้วปรารบอารูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ตัวอย่างได้แก่จิตและเจตสิกของพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรใน้ฌานแล้วก็มีรูปธรรมอย่างละเอียดเป็นอารมณ์ ที่เรียกว่าอารูปฌานนี่แหละที่เรียกว่าอารูปภพฉะนั้นภพทั้งสานี้ท่านกล่าวว่าสูงกว่ากันขึ้นไปเป็นชั้นๆผู้ที่ทำบาปผู้ที่ทาบาปตายแล้วไปเกิดในนรกผู้บำเพ็ญบุญกุศลหรือว่ามีกุศลกรรมบดสิษ์เป็นต้นเมื่ออายไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในมนุษย์ มีการบำเพ็ญเทวธรรมมีฮิริความละอายแก่ใจโอด ต, ตับะความเกรงกลัวเมื่อตายไปแล้วก็ไปบ เ, เกิดในสวรรค์หกชั้นผู้ได้รูปฌานสี่เมื่อเมื่อตายทําลายขันไปแล้วก็ไปเกิดในรูปภพคือเป็นภพที่ยังมีรูกนะยังมีรูปก็ได้แก่อรูปรภพนะได้แก่พวกรูปภพนะสิบหกนะพวกรูปภพรมรูรม้ภพสิบหกชั้นอืานะ แล้วก็ผู้ที่ได้อรูปฌานสี่ทลายขันไปแล้วหรือตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในอรูปภพนะคือในอารูปภพก็คือน่นในอรูปปาวจรนะสี่ชั้นนะเป็นพรมที่ไม่มีรูปสี่ชั้นมีเรียกว่าฉะนั้นอันนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาถามว่าถ้ามีปัญหาถามว่า คำว่าพบหมายความว่าอย่างไรฉี่ไหนจึงได้ชื่อว่ากามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าหมายความว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ได้ชื่อว่ากามาวจรเพราะเป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้เสดกามที่ได้ชื่อว่า รูปาวจรเพราะเป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในรูปภพที่ได้ชื่อว่าอารูปาวจรเพราะเป็นที่อยู่ของสัตว์จําพวกหารูปนี้ได้และยังท่องเที่ยวอยู่ในภพนั้นหรือถ้าจะถามว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งสามนั้นเมื่อจะย่นลงให้เหลือเพียงสองจำพวกเท่านั้นจะได้หรือไม่ถ้าได้ก็ย่นมาดูอันนี้เราตอบได้เลยว่าได้ จำพวกที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามาพภุรุปะพภย่นลงในรูปประสัจจำพวกที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูประพบก็ย่นลงในอรูปประสัถือว่าเป็นสัต์ที่มีรูปกับสัต์ที่ไม่มีรูปนะสัต์ที่ไม่มีรูปก็เหมือนกับว่าเป็นพวกโอปปาติกะนะหรือจะมีคำถามว่าคาว่าพบกับโลกเนี่ยนะท่านกล่าวว่าเป็นอันเดียวกันโดยความถูก ต้องจริงหรือไม่หรือเราจะมีเหตุผลอย่างไรว่าพบกับโลกเนี่ยมันมันเหมือนกันเป็นอันเดียวกันหรือไม่อันนี้ท่านหมายเอาว่าอากาศกนะัโลกคือแผ่นดินเน่ยโลกคือแผ่นดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อา่าถ้าหมายถ้าท่านหมายเอาอย่างนั้นแล้วก็ถูกนะถูกต้องอืถ้าหมายว่าอาพบหรือว่าโลกนั่นน่ะ หมายถึงอากาศอากาศโลกนะหมายถึงอากาศโลกโลกอากาศหรือว่าคือแผ่นดินที่เป็นที่อาศัยของสัตว์ข้อนั้นถูกแต่ถ้าหมายเอาสังขารโลกหรือว่าสัตว์โลกหรือมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกข้อนั้นผิดเพราะสัตว์ท่านก็จัดเป็นโลกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าสัตวโลกนะสัตวโลกอ่านี่ก็อาเป็นเรื่องของ ของพบเพียงย่อๆฉะนั้นเมื่อพูดถึงพบแล้วก็จะต้องพูดถึงโลกสามพูดถึงโลกสามให้ต่อเนื่องกันไปคำว่าโลกสามก็มีหนึ่งสังขารและโลกโลกคือสังขารสองสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์สามอากาศโลกโลกคือแผ่นดิน คำว่าโลกกล่าวโดยทั่วไปได้แก่แผ่นดินเป็นที่อาศัยหรือพบเป็นที่อยู่ของหนูสัตว์หรือได้แก่จังพวกสัตว์ผู้อยู่อาศัยจังแนกออกเป็นสามคือหนึ่งสังขารในโลกโลกคือสังขารท่านหมายเอาสภาวธรรมอันเป็นไปตามคติแห่งธรรมดามีขันห้าเป็นต้นคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่คําว่าสังขารหมายเอาสภาพเป็นผู้ปรุงแต่งดังสังขารในหมวดสามก็มีหมายเอาสัตว์และพัสดุอื่นๆต่างกันโดยวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเหมือนสังขารสองในหมวดสองก็มีแต่สังขารที่มีวิญญาณครองนั้นยกเป็นสัตว์โลกได้แล้วยกเป็นสัตว์โลกแล้วยังแต่สังขารผู้ปรุงกับสังขารไม่มีวิญญาณคลองซึ่งได้แก่ต้นไม้เป็นต้น โดยในนี้สังขารโลกน่าจะได้แก่สังขารคือผู้ปรุงกับสังขารคือต้นไม้นี่สังขารคือต้นไม้แต่ที่นี้เราพูดจะ ง, ง่ายๆก็คือว่าสังขารโลกก็คือว่าโลกคือสังขารก็หมายถึงว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองก็คือว่าสิ่งที่มีจิตใจคนและสัตว์เ น, นี่ยพวกมนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยนอย่างนี้นะเรียกว่าสังขารโลกนี่ สังขารโลกคือหมายเอาสภาพทำอันเป็นไปตามคติแห่งธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานะตอนเด็กแล้วก็เป็นหนุนเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่เนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าสังขารโลกประการที่สองก็คือสัตวโลกได้แก่โลกคือหมู่สัตว์ได้แก่สัตว์โลกจําพวกอุปาทินกะสังขารต่างโดยเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์เดรัจฉาน โดยมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็หมายความว่าสตัตวลโลกคือโลกคือมูสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์อย่างหนึง่งนะเป็นสัตว์อย่างหนึง่งแล้วพวกสัตว์เดรัจฉานนั่นก็เป็นสัตว์อีกอย่างหนึง่งคือคนกับสัตว์เดรัจฉานนมันต่างกันสัตว์เดรัจฉานนี่ถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่เพศต่ำแต่มนุษย์นี่ถือว่าเป็นอุดมะเพศเป็นเพศที่สูงนะเป็นเพศที่สูงเพราะฉะนั้น คนกับสัตว์จึงต่างกันด้วยสติปัญญาต่างกันด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยสติปัญญาด้วยเหตุด้วยผลนั้นฉะนั้นสัตวโลกก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตพูดง่ายๆทั้งที่เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองอาสามอากาทะโลกได้แก่โลกคือแผ่นดินในแก่แผ่นดินอันเป็นที่อาศัยของหมูสัตว์แต่ถ้าหมายเอาสังขารในโลกเป็นพัสดุตาา่างๆมีต้นไม้เป็นต้น อากาศโลกที่เป็นที่อยู่อาศัยของของต้นไม้เป็นต้นนั้นด้วยนะอันนี้หมายความว่าอากาศโลกก็คือโลกคือแผ่นดินนะหมายถึงแผ่นดินทั้งหมดนี่แหละนะก็รวมทั้งอากาศด้วยนะอากาศแผ่นดินทั้งหมดที่เป็นที่อยู่อาศัยของหมูสัตว์นี่แหละหมายถึงว่าอากาศโลกนะหมายถึงอากาศโลกฉะนั้น เราทุกคนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนะต้องอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกเราเขาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเป็นพื้นน้ำเสียสามส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นแผ่นดินนะเป็นพื้นแผ่นดินฉะนั้นในในแผ่นดินส่วนหนึ่งนี่แหละพวกมนุษย์จึงได้แข่งแย่งกันมากนะแข่งแย่งกันมากแข่งแย่งอ่าเป็นเอาเป็นประเทศของตน มีการประหัตประหารมีการทำสงครามจริงดีจริงเด่นกันสารพัดอ่าก็เพราะว่าเห็นว่าฝุนแผ่นดินมันยังมีน้อยอ่าฉะนั้นฝุ่นแผ่นดินที่ไหนที่อุดมสมบูรณ์ก็จะมีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยมากแล้วก็มีเรื่องมีราวมากมีความแข่งแย่งกันมากขอให้ท่านลองสังเกตดูอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกสามนะเป็นเรื่องของโลกสามที่นี่ เมื่อพูดถึงโลกสามแล้วก็ยังมีโลกสามอีกประเภทหนึ่งมีโลกสามอีกประเภทหนึ่งในโลกสามประเภทแรกที่ได้กล่าวไปนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าผู้ที่ทรงในรุจนาธรรมวิภาคปรเฉียดที่สองตัดว่าข้าพเจ้ายังไม่ปลงใจในยังไม่ปลงใจในสัมขาระโลก สับว่าสังขารในที่อื่นหมายเอาทั้งสัตว์ทั้งพัสดุอื่นบ่นไดหมายเอาสภาวธรรมที่แยกกระจายออกเป็นอ่าออกแล้วเมื่อแยกสัตว์ออกเป็นโลกชนิดหนึ่งแล้วสังขารโลกน่าจะได้แก่พวกกบิลไม้ไอ้คาว่ากรบิลไมน้นี่ที่เรียกในภาษามาคตหรือภาษาพระว่าผู้ตักคมนะเรียกว่าผู้คัมคำผู้ตัาคำ อันเป็นอนุปาทินากาสังขารแปลกจากสัตว์โลกโดยอาการไม่มีใจครองแปลกจากอากาศสโลกโดยอาการรู้จักตาย <c oughs> เมื่อถือเอาความอย่างนี้อากาศสโลกก็เป็นที่อาศัยของสังขารคือพวกกระบินไม้นั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งศัพท์ว่าสังขารหมายเอาสภาพผู้ปรุงแต่งกล่าวคือกรรมก็มีได้ในคำว่า สังขารปัจจยานะวิญญาณังวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยโดยในนี้สังขารโลกน่าจะได้แก่กรรมอันปรุงแต่งสัตว์โลกให้กรรมอันปรุงแต่งอันปรุงแต่งสัตว์โลกกับอากาสโลกอันเป็นที่อาศัยให้เจริญหรือว่าให้ซาม อ, อันนี้ก็ให้อยู่ในดุลยพินิษ์ของนักศึกษา แต่มติของอสมเด็จพระมหาสมณเจ้าที่ได้ออกมติไว้ในที่นี้ก็เป็นเพียงแนวทางเล็กๆหน่อยๆแต่พระองค์ก็ไม่ได้รับรองว่าถูกต้องก็ขอให้พวกเรานักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ลองวินิจฉัยอ่าเพื่อเป็นทางดนำริของนักธรรมว่าสังขารโลกกับสัตววโลกมาในที่แห่งเดียวกันสังขารโลกน่าจะหมายเอาสังขารที่ไม่มีวิญญาณ เ, เป็นต้นไม้ภูเขาย่อเรือนเป็นต้นอันบุคคลปรุงแต่งขึ้นหรือธรรมชาติปรุงแต่งเองสังขารประเภทนี้ก็ตกอยู่ในคติแห่งธรรมดาคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความพปวนแปลในท่ามกลางและก็มีความสลายไปในที่สุดโซนสัตติโลกไม่เอาสังขารมีวิญญาณนะไมเอาสังขารมีวิญญาณมนุษย์กับสัตว์ในฉาญต่างประเภท การกล่าวเช่นนี้ก็มีวิมุติเป็นเครื่องเทียบสับว่าวิมุติถ้ามาในหมวดธรรมโดยลาพังหมายได้ทั้งอริยอริยมรรยผลถ้ามาคู่กับวิมุตติยานทัทสนะสับว่าวิมุติหมายความเพียงอริยมรรยวิมุตติยานทัทสนะหมายเอาริยผลอันหนึ่งสังขารโลกในโลกสามข้อแรกนี้ท่านกล่าวว่าได้แก่กรรมอันปรุงแต่งสังขาร กรรมอันปรุงแต่งสังขารโลกกับอากาศโลกอันเป็นที่อาศัยให้เจริญหรือว่าให้เสื่อมซามนั้นก็มีในดังที่นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายพอจะวินิจฉัยหรือก็วิจารณ์เอาอันนี้ก็เป็นเป็นมติของอสมเด็จพระมหาสมณเจ้าซึ่งก็ได้นํามากล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รู้ได้ทราบ ทีนี้ก็มีโลกอีกประเภทหนึ่งนะก็โลกสามอีกเหมือนกันนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษาต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีถ้าเขาว่าโลกสามอย่างนี้เราต้องดูก่อนว่าโลกสามมันมีอยู่สองสองสองสองบทบทแรกสังขารโลกจัตวะโลกอากาศโลกแต่โลกสามในบทที่สองคืนหนึ่ง มนุะโลกได้แก่โลกที่เราอยู่อาศัยอยู่นี้หรือว่าโลกมนุษย์สองเทวโลกได้แก่โลกคือสวรรค์กามาผจรหกชั้นสามธรรมโลกได้แก่สวรรค์ชั้นรูปะพสิบหกชั้นก็คำว่าโลกในที่นี้ก็ได้แก่โลกคือมูสัสตตามที่กล่าวแล้วในข้อสองข้างต้นจัดเป็นชั้นๆประนีตขึ้นไปกว่ากันโดยลำดับ ท่านจำแนกออกเป็นสามคือหนึ่งมนุษย์โลกโลกคือหมู่มนุษย์ได้แก่โลกที่อาศัยอยู่ของหมู่เหล่ามนุษย์ไม้เอาแผ่นดินอพร้อมทั้งอมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ถึงแม้ว่าอาสัตว์ดิบฉาก็เรียกว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่พบนี้เหมือนกันแต่ที่ท่านนี้ได้กล่าวว่าดิรบฉาโลกก็เพราะหมู่มนุษย์เป็นสัตว์วิเศษ เป็นใหญ่กว่าสัตว์ดิเรฉานอยู่ในโลกเมื่อกล่าวถึงหมวลมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นอันกล่าวรวมถึงสัตว์ดิเรกานด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่าอามนุษย์โลกทีนี้พูดถึงในมนุษย์โลกนี้เราก็ลองนึกๆดูมนุษย์โลกให้ถือว่าเป็นโลกขั้นกลางนะเป็นโลกขั้นกลางระหว่างนรกกระหว่างสวรรค์ ระหว่างกุศลธรรมกับอกุศลธรรมระหว่างดีกับชั่วต่ำกว่ามนุษย์มากก็เป็นพวกอสุรพวกเปรตอสุรกายพวกสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์นรกสูงขึ้นไปก็พวกเทวด า, าพวกพรหมแล้วก็พวกพระอรหรันต ฉะนั้นมนุษย์เนี่ยอยู่ในขั้นกลางคนจะไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่จะต้องมาตั้งต้นที่มนุษย์นี้นะตั้งต้นที่มนุษย์นี้อืะฉะนั้นจึงบอกว่าการที่เราอยู่ในในโลกของมนุษย์นี้มันก็มีอะไรวิกิตพิสดารที่น่ารู้น่าศึกษามากแล้วก็บางครั้งก็เป็นสิ่งที่ประหลาดจะเหลือเกินวิสัยเราที่จะวินิจฉัยได้ แต่บางอย่างเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชใจแต่พระพุทธองค์ท่านในวางหลักไว้ว่าเอถะปัสสติมังโลกังจิตตังราชารถูปะมังยัตถาลาวิสีทันตินติสังโฆวิชานตังสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชรถ ที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องไม่อันนี้ก็หมายความว่าคนเรานั้นติดโลกติดโลกติดโลกมนุษย์ติดโลกคือแผ่นดินเราพวกกันแค่โลกแผ่นดินมันก็วิจิตพิสดาร น, นะมีเป็นเว้ยน้องคลองทานเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นทะเล อ่ามันก็สวยสดงดงามอ่าฉะนั้นเราจึงต้องไปเที่ยวกันเที่ยวภาคใต้ภาคเหนืออ่าไปเที่ยวภาคตะวั น, ว น, ว น, วนออก ก, ก็ถ่ายรูปก็มาเป็นภาพฟิลสีสันสวยเพราะในโลกนี้มันก็มีพวกสัตว์พวกแมลงต่างๆนานา อ, อะไรมันก็ดูแล้วสวยสดงดงามมีดอกไม้อะไรนี่นี่มันก็สวยงามแต่ว่าโลกมนุษย์นะหมายถึงว่าพวกมนุษย์ยิ่งสวยงามไปกว่านั้นเกาอีกะฉะนั้นพวกเราจึงติดติดใน ที่เรียกว่าติดในวัตถุเรื่อเรียกว่ากามคุณฆ่าในรูปในเสียงในกลิ่นในรสใี้มันสวยขึ้นนั้นก็ไปอีกนะท่านพวกเราจึงติดมากแต่ที่ติดนี้พระพุทธองค์บอกว่าพวกคนเขาเท่านั้นจึงจะติดแต่พวกที่มีปัญญาไม่ติดนะไม่ติดเพราะท่านบอกว่าให้เรามองดูโลกนะมนุษย์โลกหรือว่าโลกคือที่อยู่อาศัยนี้ให้เป็นคติธรรมไม่ใช่ดูเพื่อหลงชมนะ ไม่ใช่ดูเพื่อหลงชมดูให้เหมือนกับพระโมกอาคัลานะกับภาษาลีบุตรดูมหโหระพเมื่อดูมหโหรสพแล้วก็เอามาเป็นคติธรรมนำจิตใจได้ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายจึงแสวงหาโมระธรรมฉะนั้นเราอย่าดูโลกด้วยความหลงชมอย่าติดโลกไงอย่าติดมนุษย์ไงอย่าหลงมนุษย์ด้วยการผู้หญิงผู้ชายออย่าหลงพวกวัตถุตะกลางบ้านช่อง เครื่งใช้ไม้สอยต่งตางๆมันก็จะมีทุกมีโทษมากนะฉะนั้นเราต้องรู้จักโลกตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนนะไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนมีได้ก็หายได้อะไรมันเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดอะไรมันจะดับไปก็ให้มันดับแล้วเราก็ทําใจของเราให้ให้อยู่กลางๆให้มีเหตุให้มีผลทําด้วยสติปัญญายอมเผชิญหน้ากับสุขกับทุก สุเราได้สุขมาเราก็ยอมรับเราได้ทุกมาเราก็ยอมรับแล้วเราก็แก้ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาเราทําอย่างนี้เราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมาโลกประเภทที่สองก็คือเทวโลกได้แก่โลกคือเทวดาในแก่สวรรค์ชั้นกาม า, มาประจรหกชั้นเนี่อ่าสวรรค์ชั้นกาม า, มาประจรหกชั้นก็ หชั้นก็ทั้งที่ได้กล่าวมาในข้อต้นทั้งที่ได้กล่าวไว้ในข้อต้นเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นกาวมาเป็นชั้นหกชั้นเขามีตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ก็มีชั้นดาวดึงชั้นยามาแล้วก็ชั้นดุสิตชั้นดุสิตแล้วก็ อ่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ชั้นประเนิมอาิตาวะสวดีเป็นที่สุดนี่เทวโลกพูดง่ายๆก็คือโลกของเทวดาเนี่ยเทวดาโลกของเทวดานี่หมายถึงว่าผู้ประเสริฐโลกของเทวดาผู้ประเสริฐฉะนั้นเราทุกคนจึงอยากเป็นเทวดาบางทีเราก็เอามาว่าเปรียบเทียบกันว่าเทวดาทําตัวเองเป็นเทวดาก็หมายถึงว่ายังไม่เป็นเทวดาว่าทําตัวเป็นเกลือกพิเศษอวดดีแบบนั้นเถอะ นี่บางทีเราก็ว่าประชดประชันกั น, นประชดประชันกันแล้วก็นี่คือเทวโลกฉะนั้นโลกประเภทที่สามก็คือพรหมโลกก็ได้แก่สวรรค์ชั้นรูปประพรมสิบหกชั้นรูปประพรมสิบหกชั้นก็มีตั้งแต่ชั้นพรหมปริสัตชะจนถึงชั้นอสานิทภพแอ่นี้ก็พูดเป็นหัวข้อก็นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ลองไปคน้นคว้าดู อันนี้ก็พูดพอเป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องอัโลกสามในหลังทีนี้ถ้าหากว่าจะมีปัญหาถามว่าสังขารโลกกับอากาศโลกต่างกันอย่างไรพวกกบินหมู่ไม้จะจัดเข้าในโลกสามโดยอาศัยหลักอะไรได้หรือไม่อันนี้ถ้าถามว่าสังขารโลกกับอากาศโลกต่างกันอย่างไรเราบอกว่าต่างกัน สภาวะธรรมอันเป็นไปตามคติธรรมดามีขันห้าเป็นตัวอย่างจัดเป็นสังขารโลกแผ่นพื้นดินอันเป็นที่อาศัยของหนสัตว์จัดเป็นอากาศโลกท่านตาถามว่าพวกก บ, บินหมูไม้จัดเข้าในโลกสามได้โดยอาศัยหลักอะไรจัดเข้าในสังขารโลกโดยอาศัยหลักว่าสังขารในอาคตะคือที่อื่น นะในสถานที่มามาในที่อื่นหมายเอาสัตว์และพัสดุอื่นไม่ได้หมายเอาสภาวธรรมที่แยก่กระจายออกไปพวกกระเบนหมูไม้จึงน่าจะได้แก่สังขารโลกนี่เองเพราะแปลกจากสังขารโลกโดยอาการที่ไม่มีใจครองและแปลกจากอาการสโลกโดยอาการที่รู้จักตาย รู้จักตายต้นไม้ก็รู้จักตายเหมือนกันแต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณแต่มันก็รู้จักตายรู้จักเขียวรู้จักเฉาแล้วก็จะมีปัญหาถามว่าสังขารละโลกสังขาร ใ, ในโลกสามเมื่อถือเอาตามมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าจะต่างกันหรือเหมือนกันกันกบสังขารละโลกในสองในหมวดสองอย่างไรต่างกันเพราะสังขารในหมวดสองไมเอา สิ่งที่ธรรมดาคุมเข้าจากธาตุมีทั้งวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้และคนสัตว์เป็นต้นส่วนสังขารในโลกสามตามมติที่ท่านกล่าวไว้ได้แก่พวกกับบินไม้ที่เรียกในภาษาบุทว่ากูตคคมอันเป็นอนุปาทินกะสังขารเท่านั้นนี่ได้หมายถึงอุปาทินกาสังขารฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโลกสามทั้งสองบทนะเือโลกสามทั้งสองวด กบบ็พอสมควรกับเวลานะพอสมควรกับเวลาตั้งแต่คู่ตัวนึงพบสามก็ดีโลกสามก็ดีแล้วก็โลกสามอีกมวดหนึ่งก็ดีก็พอสมควรกับเวลาขอให้หนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร